การที่ต้องแย่งชิงกันมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชสำหรับผู้มีปัญญาแต่สำหรับผู้อุดมไปด้วยตัณหา<อ>ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องแหมมีความสามารถท่านประสบความสำเร็จในชีวิตที่เป็นผู้รับใช้ตัณหาได้อย่างดีมีข้าวของเงินทองยศถาบริวารอะไรได้มากมายเป็นอย่างนั้นไปทีวีดูสี่ช่องไม่พอเอามันสัก้าสิบช่อง นะไม่พอเอาสักสองร้อยช่องนะดูมันก็ไปเถอะก็ตันหาใช่ไหมเป็นคนสั่งเป็นคนบังคับให้เราต้องไปหาเงินมาดูทีวีหรือสร้างทีวีอะไรขึ้นมาหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันเป็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยไอ้ตันหามันสร้างทั้งนั้นแหละตึกสูงขึ้นไปกี่ร้อยชั้นกับตันหาแล้วนะมันสร้างไม่มีพอนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสลดใจจึงกราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์บวชเถิดเออพระราชาชักดีใจคิดว่าเมื่อเศรษฐีบวชแล้วเราก็ยึดปร า, าสาทได้สะดวกแล้วคราวนี้นะนะมันคิดแต่เรื่องป า, าสาททำไม่คิดเรื่องอื่นนะพระราชานะจึงตัดว่าจงบวชเถิดด้วยพระดำรัสคําเดียวเท่านั้นเศรษฐีนั้นบวชในสํานักพระาศาสดาแล้วไม่นานนักก็บรรลุพระรหัตมีชื่อว่าพระโชติกะเทระพระราชาแห้วอีกตามเดิมนะพระราชา แท้วนแปว่าอะไรเนี่ยสมัยน้ท่านนักสืบปีนชอบพูดแท้ ว, วหรืออะเงินแท่วกว็คืออดใช่ไหมอดได้ในขณะที่ท่านบรร ล, ลุพระรหัสแล้วนั่นแหลสมบัติทั้งหมดก็อันตรทานไปเพราะว่าสมบัตินี้เกิดมาด้วยบุญของท่านไม่ได้เกิดมาด้วยบุญของพระราชาพวกเทพพยไาดา้ก็นําภรรยาของเศรษฐีนั้นที่ชื่อว่าสตุลกายาเออไปตั้งชื่อไว้บ้างก็ได้สตุลกายากลับไปสู่อุตรกุรุทวีปนั่นแล เทวดานํามาให้เทวดาก็ต้องนํากลับเป็นอย่างนี้ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเรียกพระเถระโชติกะมาแล้วถามว่าโชติกะผู้มีอายุก็ตัณหาในประส า, าหรือในหญิงนั้นของท่านยังมีอยู่หรือหญิงนั้นก็คือภรรยามีอยู่อีกไหมท่านบอกว่าไม่มีผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ไม่เชื่อ จึงกราบทูนพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าพระโชติกานี้กล่าวไม่จริงพยากรพระอรหันตผลพระศาสดาตัดว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีตัณหาในประสาทหรือในหญิงนั้นเลยดังนี้แล้วตัดพระคาถานี้ว่าผู้ใดละตัณหาได้แล้วในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเสียได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาแล้วพบอันสิ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์ ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากประลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัติผลเป็นต้นดังนี้แลจบเรื่องของพระโชติกะเถระนะซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นซึ่งความมหัศจรรย์ของบุญซึ่งเป็นตัวอย่างให้เราเอาไปปฏิบัติได้เอาไปใช้ได้บุญอ๋อท่านสร้างพระคันทกุดีไนงะโชติกะเถระเนี่ยท่านสร้างาพระ ท่ากุฏิคือกุฏิให้พระเจ้าจะทําอย่างพิสดารมากเอาแก้วเนี่ยมาทําเป็นทรายโรยรอบพระเจดีย์นะแล้วก็ทําแก้วมณีลูกใหญ่เลยวางไว้เที่แทบเท้าของพระมุกยภาคเจ้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างในพระคัมภีกุฏินะ่ะสร้างโดยของมีค่าอย่างยิ่งนะในพระเจ้าองค์ก่อนแล้วก็อธิษฐานบุญเอาไว้เพราะว่า แกวมณี ล, ลูกใหญ่ถูกพรามณ์มาขโมยไปก็เลยอธิษฐานบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงบอกให้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะไม่ให้ใครนำทรัพย์ของท่านไปได้ก็จงตาถนาอธิษฐานเอาเพราะนั้นเราเรามานั่งดูที่ว่าเราอยากได้อะไรบ้างไปลิศลายชื่อไว้นะเขียนเอาไว้แล้วก็ทําบุญแล้วอธิษฐานข้อหนึ่งข้าพเจ้าอยากได้ข้อสองข้อสามข้อสี่ไปคิดให้ดีๆเลย เอานะให้ตัณหามันช่วยคิดเอา้าคิดให้ยีนอยากได้แกอยากได้อะไรบ้างนะนะหรือแกไม่อยากได้อะไรบ้างเนี่ยไม่อยากได้อะไรบ้างเนี่ยก็คิดไว้เนี่ยอาจจะมาอธิษฐานไว้เนี่ยอย่าได้พบคนพาลอย่าได้สมาคมกับคนพาลคนมิจฉาทิจฉ์คนทุสีนทั้งชายทั้งหญิงทั้งกรหัสบรรพชิตหากได้ไปเจอเข้าแล้วเดี๋ยวขอให้คนพาลเหล่านั้นสะดุ้งตกใจกลัวอย่างแรงกล้ารีบวิ่งหนีไปโดยเร็วพันคือต้องอธิษฐานฮะ ต้องเกิดนะสิก็ได้บุญขจัดการไห้ได้สิ่งที่เราไม่รักอะไรอ่ะอ่าก็ได้ก็ได้แล้วสิ่งหรือเราต้องการพัดพรากจากบุคคลที่เราไม่รักก็ก็อธิษฐานได้ะก็บุคคลที่เราเกลียดนั่นแหละคือคนที่เราไม่รักเป็นไปได้สิเป็นไปได้มันจะเป็นจะไปเป็นไปไม่ได้ไงล่ะ เราต้องพัดพลาดจากคนรักเนี่ยเป็นธรรมดาแต่ในคนที่เราไม่รักเราพัดพลาย่างมันได้อะดีเพราะเราเกลียดเขาอะก็สมควรแล้วเราไม่ชอบเขาใช่ไหมอย่างคนพานเนี่ยตมาไม่ชอบพัดพลาดจากคนพาณได้อะตมาสาธุเลยโู้โหแหมเรามีโชคดีอย่างยิ่งเลยนะเข้าใจไหมล่ะ<ต>อธิษฐานได้แต่ว่าหมายความว่าความพัดพลาดจากของรักอนะ เป็นกปกติของของวัดแต่สงสารนี้แต่ถ้าเราไม่มีความรักเสร็จแล้วเราก็ไม่มีทุกข์เข้าใจไหมลนะ่ะมันต้องพัดพากะเราก็รักตัวเราเองอะเราก็ต้องพัดพากใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรามีความรักอยู่ในตัวเราเราก็ต้องทุกข์ใจอย่างยิ่งเลยนี้พอเราไม่มีตัณหาเสร็จแล้วไม่มีความรักเสร็จแล้วมันก็ไม่มีทุกข์เพราะนั่นก็ต้องอธิษฐานอันสําคัญเลยขอให้เราได้พัดพากจากตัณหาอย่าได้มาเป็นมิตรกับเราเลยอย่าได้มาอยู่ใกล้เราเลยนะ ต้องอธิษฐานบ่อยเพราะไอ้ตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวนำทุก์มาให้ทั้งปวงนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องเอามาใช้ในชีวิตเราว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องเราอยากได้กับเราไม่อยากได้มีอยู่สองเรื่องเท่านั้นเองไม่มีเรื่องมากหรอกใช่ไหมล่ะคือตัณหามันปราถนาสิ่งนี้นะก็อธิษฐานบุญเอาหรื อ, อตัณหานั่นแหละไม่ปราถนาสิ่งนี้ หรือโทสะก็ได้ไม่ปรารถนาสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้ก็อธิษฐานบุญแต่ว่าจะต้องทําบุญนะอธิษฐานซื้อบื้อไม่ได้คือต้องมีบุญแล้วก่อนแล้วก็อธิษฐานว่าด้วยบุญนี้บุญคือศีลคือทานคือภาวนาคือการฟังธรรมคืออภิญยนณใหมการเคารพนอบนอบ้นอมอะไรเนี่ยเราต้องทําขึ้นซะก่อนไม่ใช่อยู่ดีก็ไปเที่ยวอธิษฐานเพ่นพ่านไปทั่วไม่ใช่อย่างนั้น ต้องทําขึ้นมาให้มีกําลังขึ้นมาซะก่อนนะฮะลงทุนทั้งนั้นแหละทุกวันนี้เราก็อยู่ด้วยการลงทุนแต่มันลงไปในอะไรอะลงไปได้บุญหรือบาปคือที่ว่าลงทุนเพราะตัณหามันอยากได้ทุนไงมันอยากได้กําไรจึงต้องมีการลงทุนทํากรรมกันใช่ไหมล่ะแต่นี่จะทําทำกรรมอะไรก็ต้องทํากรรมที่มันได้ได้ผลกําไรสิถ้าเราหมดตัณหาแล้วมันก็ไม่ต้องมีการลงทุนเพราไม่อยากได้อะไร ใช่ไหมล่ ะ, ะว่าไงจะทําบุญได้ยังทําบุญได้ยังวันที่หนึ่งห้ทําแล้วก่อนด้วยบุญอด้วยบุญนี้ทําทานใช่ไหมต้องทําให้ครบนะบุญนะ่ะต้องทานทา น, ทานนี้ก็เป็นบุญศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญนะภาวนาก็เช่นแผ่เมตตาเป็นต้นแล้วก็ด้วยทานนี้ด้วยศีล น, นี้ด้วยภาวนานี้ ขอให้ข้าเป็นเจ้าได้โภคข sumbat อะไรก็ว่าไปเถอะจารย์ใไปเองแล้วกันนะแต่ต้องทําให้เป็นนะทําให้เป็นนะอก่อนให้ต้องดีใจขณะให้มีจิตเลื่อมใสเมื่อให้แล้วต้องชื่นใจทําให้มันครบทั้งสามกาันสามเวลาด้วยแล้วก็นี่บอกเทคนิคให้หน่อยหนึ่งบอกเทคนิคให้อีกหน่อยด้วยบุญนี้และบุญที่ได้ทําไว้แล้วไวก่อนแล้วเพราะว่า ให้บุญมันมาช่วยกันเยอะๆนะบางทีไอ้บุญนี้มันช่วยไม่ทันนะมันช่วยไม่ทันเพราะว่ามันมีกําลังน้อยมันทีไม่ให้ในชาตินี้อ่ะมันไม่ทันให้ในชาตินี้มันจะไม่ให้ในชาติต่อๆไปเราก็จะแหม่รอไม่ไหวโอุ้ตสาธธรรมบุญแทบแย่ไม่เห็นมารวยทักทีหนึ่งก็ต้องอธิษฐานบุญเก่าด้วยบุญในอดีตทั้งหลายที่พระเจ้าได้เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา จงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้ผลคือร่ำรวยโภคกรสมบัตินะแล้วก็อธิษฐานบ่อยๆอธิษฐานอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่ระลึกได้ทาบุญได้ว่าไงก็บุญเก่าครับะแล้วบุญเก่าเขาก็ทำให้เขาได้พภคกระซับมากและแต่ว่าปัจจุบันนี้ เขาไม่คบบัณฑิตเขาก็ทำกรรมชั่วไปมันเป็นเรื่องของบุญเก่าแต่ว่าบาปใหม่แต่บาปใหม่เขาถ้ามีกำลังแรงไอ้บุญเก่าเ้าก็ปลดได้ไม่ส่งผลได้นะเชิญบ้างไหจ้ก็ดีแล้วฮะอ่อ อ๋อก็ตอนที่เขาทําบุญนะเขาก็เขาก็ได้ใช้วิบากบุญของเขาอ่ะวิบากบุญคือข้าวของแล้วเป็นวิบากบุญของเขาเป็นผลบุญของเขานะเข้าใจไหมพวกข้าวของต่างๆอ่ะไออาหารต่างๆอ่ะเป็นวิบากบุญของเขาเข้าใจไหมอ่าเป็นวิบากบุญเป็นผลบุญน่ะผลบุญพูดง่ายๆแต่นี้เขาใช้ไปแล้วผลบุญมันหมดก็มีเหลือพอสมควร เขาไม่หมดไม่หมดไม่หมดตัวแร้วเขายังมีข้าวกินอยู่เข้าใจไงเข้าใช่เ ข, ข้าใจไหมใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้ที่จะไปทำห้าสิบองค์นั้นไม่ไหวแล้วผลบุญของเขาหมดเขาต้องรอผลบุญใหม่ที่จะมาเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยอ้าวก็ได้ข้าวมาเนี่ยเป็นผลบุญที่บุญเก่าแล้วคุณก็ทําบุญใหม่ทำเป็นบุญใหม่คือคุณใส่บาตรแต่คุณทํามากห้าสิบองค์ ไอ้ผลบุญเก่าเนี่ยที่มาให้เกิดในปัจจุบั น, นมันหมดลงหมดลงก็เลยให้ไม่ได้ไไดคุณก็รักษาศีลไปสิบอกเขาไม่ต้องเสียใจนะรักษาศีลดีมีค่ามากกว่าทานอีกศีลข้อเดียวเนะี่ยมีค่ามากกว่าให้ทานอีกอให้ทานห้าสิบองค์ก็ทุ่รักษาศีลข้อเดียวไม่ได้ให้รักษาศีลห้าต่อไปให้เจริญเมตตาต่อไปคือวิบากผลบุญของเขามันหมดแต่ถ้าเบิดผลบุญเข้ามาใหม่เดี๋ยวเขาจะรวยครั เออ ไ, ไม่รู้อาตมาไม่ใช่เจ้าของบุญเขาเนี่ยอาตมาตอบไม่ได้อาตมาตอบไม่ได้ว่าบุญคุณจะมามาเมื่อมันมาเข้าใจไหมอาตมาก็ตอบไม่ได้จากบุญอาตมาเองทียังตอบไม่ได้เลยบุญมันจะมาเมื่อไหร่แต่มันมามันมาโดยสังเกตได้ไงอ่อนเราได้ล้วได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีนั่นเราจะรู้ละบุญเรามาถ้าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ดีมาอ่าบาปบาปผลบาปมาแล้วผลบาปมาถึงแล้ว แต่เราก็อย่าไปสนใจมันมากเราทำบุญใหม่เ็เราอยู่เรื่อยๆบุญใหม่เนี่ยมันจะเป็นเหตุให้บุญเก่ามาส่งผลได้มากเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอื้อเฟื้อให้มาส่งผลได้อีกบ่อยๆนะ ก็เขาคิดไม่ถูกก็เศรษฐีอนาธิป mm ิการเศรษฐีก็ให้ห er> ้าสิบสี่โกดเกลี้ยงเลยให้สักเกลี้ยเลยนี่ไม่ห้าสิบองค์เนี่ยังจิบจ้อยให้สักเกลี่ยงเลยแต่ท่านไม่เดือดร้อนอะไรท่านมีอะไรท่านก็ให้เท่านั้นมีเหลือเวียนน้อยก็ให้น้อยท่านยังเคยปลารบกับพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ให้ทานได้ของไม่ดีไม่น่ารื่นรมนะคล้ายๆว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ย ทานที่จะให้ผลน้อยไม่มีคุณทำศรัทธาที่ทาความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทําความเลื่อมใสในทานในผลของทานเกิดขึ้นคุณอยู่ที่ทาความเชื่อมัเลคุณก็ให้ทานอะไรก็ได้ผลมากเพราะว่าบุญมากน้อยไม่ได้อยู่ที่ของอยู่ที่ศรัทธาของคุณอยู่ที่ปัญญาของคุณในหัวใจอันนี้ต้องรู้นะไม่รู้แล้วก็เราก็เสียใจายตายนะโอโห้อาสาทาบุญไปแล้วเนี่ย หมดตัวเลยนะจนอดตายเลยนะนะแต่อาตมาไม่เคยเห็นคนใส่บาตรแล้วอดตายไม่เคยปรากฏโยไปหามาทั้งคนเลฮะก็ก็ไม่มีอดนะไม่อดตายอ่ะรับรองนะก็เป็นไปได้เขาไม่มีปัญญาที่จะระลึกถึงความดีของเขาและเขาปลื้มอกปลื้ใจนะแล้วทําอย่างอื่นได้เนี่ย บุญอย่างอื่นแล้วก็มีก็คงหมดเวลาแล้วนะไม่มีปัญหาเพิ่มใช่ไหมไม่มีก็ขออนโมทนาทุกท่านขอให้มีปัญญาเห็นความมหัศจรรย์ของบุญและผลบุญและเห็นโทษของบาปที่จะให้ผลแก่ชีวิตของเราขอให้เราได้จเจริญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อันเป็นเหตุให้กำจัดบาปทั้งปวงได้หมดสิ้นไปจากชีวิตและพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยทั่วถึงกันทุกท่านเธอ